ธรรมบทแปลเรื่องที่89ภาคที่สเรื่องสังกิจจสามเณรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพสังกิจจสามเณรรัฐพระธรรมเทศนานิว่าโยจะวัสสะสตังชีเวทุสีโลอส ม, มาหิโต เอากาหังชีวิตตังไสยโยศีละวันตัสสะชานิโยกบูใดทุศีนมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีนมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นตอนคุลบุตร30คนออกบวช ได้ยินว่าคนละบุตรประมาณ30คนในกรุงสาวัตถีฟังธรรมกคาถาแล้วบวชถวายชีวิตในศาสนาของพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทได้ห้าภรษาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับยทุระสองประการคือคันตะทุระและวิปัสสนาทุระ ไม่ทำอุตสาหะในขัณาธุระเพราะเป็นผู้บวชในเวลาเป็นคนแก่มีความประสงค์จะบำเพ็ญวิปัสสนาทุระทูลให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานจนถึงพระราษแล้วจึงทูลนำลาพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไปสู่แดนป่าแห่งหนึ่งพระเจ้าคา้า พระศาสดาตรัสตามว่าก็พวกเธอจะไปที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลชื่อของสถานที่โน้นแล้วได้ทรงทราบว่าจะมีภัยเกิดขึ้นในที่นั้นแกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะอาศัยคนกินเดนคนหนึ่งก็แต่ว่าเมื่อสังเกตจะสามเณมรไปแล้วภัยนั้นจะระงับ เมื่อเป็นเช่นนั้นกิจบรรปชิตของพิสุทธ์เหล่านั้นจะถึงความบริบูรณ์ตอนประวัติของสังกิจจาสามเณรสามเณรของพระสารีบุตรเทระชื่อสังกิจจาสามเณรมีอายุเจปีได้ยินว่ามารดาของสังกิจจาสามเณรนั้นเป็นธิดาของตระกูลมั่งค่ง ในกรุงสาบทีเมื่อสามมเนนนั้นยังอยู่ในท้องมานดาได้ทำกาละในขณะนั้นนั่นเองด้วยความเจ็บไข้ยอย่างหนึ่งก็เมื่อมารดานั้นถูกเผาอยู่เนื้อส่วนที่เหลือไหมไปเว้นแต่เนื้อส่วนท้องลาดับนั้นพวกสัปเปอรอยกเนื้อท้องของนางลงจากเชิงตะกอน แพงด้วยเหลาเหล็กในที่สองถึงสามแห่งปลายเหลาเหล็กกระทบหางตางของทารกพวกสัเบอร์แทงเนื้อท้องอย่างนั้นแล้วจึงโยนไปบนกองฐานปกปิดด้วยฐานนั่นแลแล้วหลีกไปเนื้อท้องได้ไม่แล้วส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคำบนกองฐานเหมือนนอนอยู่ในกรีบ แห่งดอกบัวแต่จริงสันผู้มีพบเป็นที่สุดท้ายแม้ถูกภูเขาสิเนรุทับอยู่ชื่อว่ายัางไม่บรรลุอรหัตแล้วสิ้นชีวิตไม่มีในวันรุ่งขึ้นพวกสัมเรอมาด้วยความคิดว่าจะดับเชิงตะกอนเห็นทารกนอนอยู่อย่างนั้นเกิดอัศจรรย์และแปลกใจคิดว่า เรื่องนี้อย่างไรกันเมื่อสรีระทั้งสิ้นถูกเผาอยู่บนกองฟืนเท่านี้ทารกไม่ไหม้ายแล้วจะมีเหตุอะไรกันเนอเขาจึงอุ้มเด็กนั้นนําไปภายในหมู่บ้านแล้วถามพวกหมอถ่ายนิมิตพวกหมอถ่ายนิมิตจึงพูดว่าถ้าทารกนี้จะอยู่ครองเรือนพวกญาติตลอดเจ็ดเกลือสกุลจะไม่ยากจน ถ้าจะบวชจะมีผู้เป็นสมณะห้ารรูปแวดล้อมเที่ยวไปพวกญาจึงขนานนามว่าสังกิจจเพราะหางตาของเขาแตกด้วยขอเหล็กสมัยอื่นเด็กนั้นปรากฏว่าชื่อสังกิจจาครั้งนั้นพวกญาติเลี้ยงเขาไว้ด้วยปรึกษากันว่าช่างเถิด ในเวลาที่เขาเติบโตแล้วพวกเราจะให้บวชในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของเราในเวลาที่สังกิจจานั้นอายุได้เจ็ดขวบได้ยินคำพูดของพวกเด็กๆว่าในเวลาที่เจ้าอยู่ในท้องมารดาของเจ้าได้ทำกาละแล้วเมื่อสรีระมารดาของเจ้านั้นแม้ถูกเผาอยู่เจ้าก็ไม่ไหม้สังกิจจะ จึงบอกพวกญาติว่าท่านทั้งหลายเขาว่าฉันพ้นภัยเห็นป่านนั้นประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนของฉันฉันจะบวชดังนี้แล้วญาติเหล่านั้นจึงรับคำต่างนั้นแล้วพาไปยังสํานัก ข, ของท่านพระสารีบุตรเทระได้ถวายด้วยคําว่าท่านโจ้าขาขอท่านจงให้เด็กคนนี้บวชเติดพระสารีบุตร ให้กรรมฐานหน้ายางคือผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ให้บวชสามเณรนั้นบรรลุพระอาราตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในเวลาลงผมเสร็จนั่นเองประวัติเบื้องต้นของสังกิจจสามเณรมีเพียงเท่านี้ตอนรับสั่งให้ภิกษุไปลาพระสารีบุตรก็เมื่อพระา ศ, าศาสดาทรงทราบว่า เมื่อสามเณรนี้ไปแล้วภายนั้นจะระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจะถึงความบริบูรณ์ดังนี้แล้วก็จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลาย30รูปกนันว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอำลาสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปเถิดภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้ว จึงไปยังสำนักของพระเทระเมื่อพระเทระถามว่ามีอะไรหรือท่านผู้มีอายุภิกษุน์เหล่านั้นจึงกล่าวว่าพวกกระผมเรียนคำธรรมนในสำนักของพระศ า, าสดาแล้วมีประสงค์จะเข้าไปปาจึงชวนอำลาเมื่อเช่นนั้นพระศาสดาจึงตรัสให้พวกกระผมมาอาลาท่านพระสารีบุตรด้วยเหตุนี้ พวกกับผมจึงมาที่นี้พระเทรามีความคิดว่าก็พิสุจ์เหล่านี้จะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงเห็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วจึงทรงมาที่นี่นี่เรื่องอะไรกันนาแลก็เมื่อรู้เรื่องนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุก็สามเณรของพวกท่านมีแล้วหรือพวกพิสูจน์ารูยังไม่มีเลยท่านผู้มีอายุ ท่านพระสารีบุตรถ้ายัางไม่มีพวกท่านจงพาสังกิจะสามเณร น, นี้ไปเถิดพวกภิกษุท่านผู้มอายุอย่าเลยพระอาศัยสามเณรความกังวลจะมีแก่พวกกระผมประโยชน์อะไรด้วยสามเณรสําหรับพวกภิกษุผู้อยู่ในปา่าท่านพระสารีบุตรท่านผู้มอายุพระอาศัยสามเณร น, น, นี้ความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่าน แต่ว่าเพราะอาศัยพวกท่านความกังวลจะมีแก่สามเณรนีน้ถึงพระศาสดาเมื่อจะทรงส่งพวกท่านมายัางสำนักของเราทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านถึงส่งมาที่นี้พวกท่านจงพาสามเณรนีน้ไปเสียเดิดตอนภิกษุสาสรูปไปประพฤติสมณธรรมภิกษุสามสรูปเหล่านั้น ซึงรับคำดังนั้นแล้วรวมเป็น31รูปพร้อมกับทั้งสามเณรอำลาพระเตระออกจากวิหารเที่ยวจาริกไปบรรลุถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีพันสกุลในที่สุด120โยตพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสทำการถวายคือการอังคาดโดยกรบแล้ว ถามว่าท่านเจ้าข้าพวกท่านจะไปที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปตามสถานที่ที่ผาสุขท่านผู้มีอายุพวกชาวบ้านจึงได้หมอบลงแทบเท้าอ้อนหวอนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อพวกพระกุลเจ้าอาศัยหมู่บ้านนี้อยู่ตลอดภายในพรรษาพวกกระผมจะสมาทานศี่ห้าทำอุโบสถกรรม ดังนี้แล้วภิกษุทั้ง30บรูปนั้นจึงได้อาศัยอยู่ณที่นั้นในครั้งนั้นพวกมนุษย์จดแจงที่พักในกลางคืนที่พักในกลางวันที่จงกรมและบรรณาสลาถึงความบุสาหาว่าวันนี้พวกเราพรุ่งนี้พวกเราดังนี้แล้วได้ทำการบำรุงภิกษุเหล่านั้นตอนพวกภิกษุ ตั้งกติกาอยู่จำพรรษาก็ในวันเข้าพรรษาพระเทราทั้งหลายทำกติกาวัดกันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผู้เราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แต่เว้นความถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติพวกเราไม่อาจอยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อห น, นึง่ง ประตูบายก็เปิดแล้วสำหรับพวกเราทีเดียวเพราะฉะนั้นเว้นเวลาพิขาจารในตอนเช้าและเวลาบำรุงพัทยะในตอนเย็นในการที่เหลือพวกเราจะไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปความไม่ผาสุกจะมีแก่ท่านผู้ใดเมื่อท่านผู้นั้นตีระฆังพวกเราจะไปสำนักของท่านผู้นั้นทำยาชวนในกลางคืน หรือกลางวันอื่นนอกจากนี้พวกเราจะไม่ประมาทประกอบกรรมฐ า, านอยู่เนืองๆดัง น, นี้ตอนทุกขตะบุคคลมาอาศัยอยู่กับผู้ภิกษุก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นทำกติกากันอยู่อย่างนั้นบุคคลเข็นใจคนหนึ่งอาศัยที่ดาเป็นอยู่เมื่อทุพพิภพไปเกิดขึ้นในที่นั้น มีความประสงค์จะอาศัยที่ดาคนอื่นเป็นอยู่จึงเดินทางไปแม้พระเตระทั้งหลายเที่ยวใบบินาบาบในหมู่บ้านกลับมาถึงที่อยู่แล้วไปอาบน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งในระหว่างทางนั่งบนหาดทรายทำพัตกิจอยู่ในขณะนั้นบุรุษผู้นั้นถึงที่นั้นแล้วได้ยืนอยู่นะที่ส่วนสุดข้างหนึ่ง ลำดับนั้นพระเทราทั้งหลายถามก็ว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นบอกเนื้อความแล้วพระเทระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุคคลผู้นั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านหิวจัดจงไปนําใบไม้มาพวกเราจะให้ก้อนพัดแก่ท่านรูปละก้อนดั่นี้แล้วก็เมื่อเขาไปนําใบไม้มาแล้ว ภิกษุตอนหลังเหล่านั้นจึงคลุกข้าวแกงและกับโดยตานองที่จะฉันด้วยตนด้วยตนได้ให้ก้อนพัดรูปละหนึ่งก้อนทราบว่าตำเนียมีดังนี้ภิกษุผู้จะให้พัดแก่ผู้มาถึงในวลาฉันไม่ให้พัดที่เป็นเลิศพึงให้น้อยบ้างมากบ้างโดยตานองที่ฉันด้วยตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นภิกษุ แม้เหล่านั้นจึงได้ให้อย่างนั้นบุคคล น, นั้นทำพัตกิจแล้วไหวพระเทระทั้งหลายและถามว่าท่านขอรับพวกพระกุลเจ้ามีใครๆนิมนต์ไว้แล้วหรือพวกภิกษุยังไม่มีใครนิมนต์หลอกอุบาสกพวกมนุษย์ถวายอาหารเช่นนี้แหละทุกวันทุกวันทุ ก, กะตะบุคคล น, นั้นมีความคิดว่า ก็เราแม้ขยันขันแข็งทำงานตลอดการเป็นนิดก็ไม่อาจได้อาหารเช่นนั้นประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปที่อื่นเราจะเป็นอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านี้นี่แหละลาดับนั้นบุรุษนั้นจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่ากระผมปรารถนาจะทำวัดปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระคุณเจ้าพวกภิกษุดีละ่ะอุบาสกตอน ทุกขะตะบุษนั้นนีพวกภิกษุไปเยี่ยมที่ดาเวลาไปที่อยู่ของพิกสุเหล่านั้นกับพิกษุทั้งหลายทำวัดปฏิบัติเป็นนันดีทำพวกภิกษุให้รักใคร่อย่างยิ่งโดยการล่วงไปสองเดือนปรารถนาจะไปเยี่ยมที่ดามีความคิดว่าถ้าเราจะอำลาพวกพระกุณเจ้าไปพวกพระกุณเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น จะไม่ปล่อยเราเราจะไม่อำลาแล้วจะเดินทางไปละหังนี้แล้วก็ไม่บอกแกภิกษุเหล่านั้นเลยได้เดินทางออกไปแล้วทราบว่าข้อที่เขาไม่บอกพวกภิกษุได้ลีไปนั่นเองได้เป็นความพลังพลาดอย่างขนาดใหญ่ก็ในคนทางไปของบุุรนั้นมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่เจ็ดเป็นวันของโจรหน้าร้อย ผู้ทำการบนบานกับเทวดาว่าถ้าผู้ใดเข้าสู่ดงนี้พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นแหละแล้วดักรออยู่ในดงนั้นประเหตุ น, นั้นในวันที่เจ็หัวหน้าโจนจึงข้นต้นไม้ตรวจ ด, ดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษผู้นั้นเดินมาแล้วจึงได้ให้สัญญาณ แก่พวกจโจรโจรเหล่านั้นรู้ความที่บุรุษนั้นเดินเข้าสู่กลางดงจึงล้อมจับเขาทำการผูกอย่างมั่นคงสีไฟด้วยไม้สีไฟขนฟื่นมาก่อเป็นกองไฟใหญ่เสียมหลาเอาไว้บุรุษนั้นเห็นกิริยาของพวกโจรนั้นจึงถามว่านายในที่นี้ข้าพระเจ้าไม่เห็นหมู หรือเนื้อเป็นต้นเลยเหตุใดพวกท่านจึงทำเหลา่านี้พวกโจรก็พวกเราจะฆ่าเจ้าทำปลีกรรมแก่เทวดาด้วยเนื้อและเลือดของเจ้าบุุษนั้นถูกบรรณภัยกูกามแล้วไม่ได้คิดถึงอุปการะของพวกวิสูรเลยเมื่อจะรักษาชีวิตของตนอย่างเดียวเท่านั้นจึงกล่าวกับพวกโจรอย่างนี้ว่านาย ข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนกินพัดที่เป็นเดนเติบโตชื่อว่าคนกินเดนเป็นคนกาลกินีก็พวกภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นกษัตริย์ทีเดียวภิกษุสามสิบรูปอยู่ในที่โน้นพวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่านั้นแล้วทํากรรมต่อเทวดาเทวดาของพวกท่านจะยินดีเป็นอย่างยิ่งตอน พวกโจรไปจับภิกษุเพื่อทำผลีกรรมพวกโจรได้ฟังดังนั้นมีความคิดว่าคนนี้พูดดีประโยชน์อะไรของเราด้วยคนกาละกินีนี้เพื่อเราจะฆ่าพวกกษัตริย์ทำผลีกรรมดังนี้แล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดเจ้าจงแสดงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแล้วให้เขานั่นแหละเป็นผู้นาทาง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 จะมาประชุมกันด้วยเสียงระฆังดังนี้แล้วหัวหน้าโจรจึงได้ตีระฆังขึ้นบวกภิกษุได้ยินเสียงระฆังคิดว่าใครตีระฆังผิดเวลาความไม่ผาสุกจะมีแก่ใครดังนี้แล้วจึงมานั่งบนแผ่นหินที่เขาแต่งตั้งไว้โดยลําดับตรงกลางวิหารพระสังฆาเตระและดูพวกโจรแล้วถามว่า อุบาสกใครตีระครังนี้หัวหน้าโจรจึงตอบว่าข้าพเจ้าเองพระสังฆเตระท่านตีเพราะเหตุไรหัวหน้าโจรพวกข้าพเจ้าได้บุญบานเทพยดาประจำดวงเอาไปจะจับภิกษุรูปหนึ่งไปเพื่อต้องการทําพลีกรรมแก่เทวดานั้นพระมหาเตระฟังคำรรนั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกภิกษุว่า ผู้มีอายุทั้งหลายบรรดากิจเกิดแก่พวกน้องๆผู้เป็นพี่ชายต้องช่วยเหลือผมจะสละชีวิตของผมเพื่อพวกท่านไปกับโจรเหล่านี้ขออันตรายจงอย่ามีแก่ทุกๆ ท, ท่านพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วพระอนุเทระจึงกล่าวว่าท่านก็รับธรรมดากิจของพี่ชาย ย่อมเป็นภาระของน้องชายกระผมจะไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาณเถิดก็ด้วยอุบายอย่างนี้ชนแม้ทั้ง30สคนก็ลุกขึ้นพูดตามลำดับว่าผมเองผมเองด้วยประการชนนี้ภิกษุ ท, ทั้งหมดไม่เป็นบุตรของมารดาเดียวกันเลยไม่เป็นบุตรของบิดาเดียวกันเลยทั้งอย่างไม่สิ้นราคะ แต่คนนั้นก็ยอมเสียสละชีวิตตามลําดับเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่เหลือบรรดาภิกษุเหล่านั้นแม้ภิกษุรูปหนึ่งที่จะกล่าวว่าท่านไปเถิดก็ไม่ได้มีเลยตอนสังคิจสามเณรอยอมมอบตัวให้แก่โจรสังคิจสามเณรได้ฟังคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่า หยุดเธอท่านขอรับกระผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านไปเองพวกภิกษุสามเณรเราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอผู้เดียวไปสามเณรพระเหตุไรขอรับพวกภิกษุสามเณรเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเทระถ้าเราจะสละเธอไปพระเทระจะติเตียนเราว่า พวกพิสุเหล่านั้นพาสามเณรของเราไปมอบให้แก่พวกโจรเราไม่อาจจะสลัดคำติเตียนนั้นได้ด้วยเหตุ น, นั้นเราจึงไม่ยอมให้เธอไปสามเณรท่านก่็รับพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำนักของพระอุปัชย์ของกระถบมก็ดีพระอุปัชย์ของกระผบ่มส่งกระผมมากับพวกท่านก็ดี ได้ทรงเห็นเหตุอันนี้แล้วทั้งนั้นจึงได้ทรงผมมาหยุดเถิดขอรับกระผมนี่แหละจะไปเองสามเณร น, นั้นไหว้ภิกษุทั้งสามสิบรูปแล้วกล่าวว่าท่านกอรับถ้าโทษของกระผมมีอยู่ขอท่านจงอดโทษดังนี้แล้วก็ได้ออกไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่เกิดขึ้นแล้วกับภิกษุเหล่านั้น ตาเต็มไปด้วยน้ำตาเนื้อหัวใจสั่นไหวแล้วพระมหาเถระพูดกับพวกโจรว่าอุบาสกเด็กนี้เห็นพวกท่านก่อไฟเสี้ยมหลาลาดใบไม้จะ ก, กลัวท่านทั้งหลายพักสามเนณรนี้ไว้ที่ส่วนหนึ่งพึงทำกิจหานั้นพวกโจรจึงได้พาสามเณรไปพักไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วทำกิจทั้งปวง ในเวลาที่เสร็จกิจแล้วหัวหน้าโจรชักดาบเดินไปหาสามเณรสามเณรเมื่อนั่งเข้าฌานมั่นหัวหน้าโจรแกว้งดาบฟันลงที่คอของสามเณรดาบงอเอาคมกระทบคมหัวหน้าโจร น, นั้นสำคัญว่าเราคงฟันไม่ดีดังนี้แล้วจึงดัดดาบนั้นให้ตรง แล้วก็ฟันอีกดาบเป็นดังใบตานที่ม้วนได้ร่นจนถึงโคนของดาบแต่จริงบุคคลแม้จะเอาภูเขาซิเนรุทับสามเณรในเวลานั้นชื่อว่าสามารถจะให้สามเณรตายไม่มีเลยช่วป่วยกลางปบใหญ่ว่าจะเอาดาบฟันให้ตายหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหารนั้นแล้วคิดว่า เมื่อก่อนดาบของเราย่อมตัดเสาหินหรือต่อไม้ตะเคียนได้เหมือนหยวกกล้วยบัด น, นี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งเกิดเป็นดั่งใบตามลม้วนดาบนี้ไม่มีจิตไม่มีใจยังรู้คุณของสามเณร น, นี้เราเป็นผู้มีจิตมีใจยังไม่รู้เนืองนี้แล้วนายโจนนั้นจึงทิ้งดาบลงที่พื้นดิน เอาอกหมอบแทบใกล้เท้าของสา ม, มเณรถามว่าท่านผู้เจริญพวกกระผมเข้ามาในดงนี้เพราะเหตุต้องการทรัพย์บุุษแม้มีประมาณพันคนเห็นพวกเราแต่ที่ไกลเทียวก็ยังสั่นวันไหวไม่อาจพูดแม้สองถึงสามคำได้ส่วนสำหรับท่านแม้เพียงความหวาดสะดุ่งแห่งจิตก็ไม่ได้มี หน้าของท่านผ่องใสดั่งทองคาในปากเบ้าและดั่งดอกกันญการที่บานดีด้วยเหตุอะไรกันเนอโจนนั้นจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าความหวานเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวก็ไม่มีวันนะผ่องใสยิ่งนะักเหตุไรท่านจึงไม่เคร่อครวนในเพราะภายใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เล่าสามเณรนั้น ออกจากฌานเมื่อจะแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าขึ้นชื่อว่าอัตภาพของพระกี่นาศบย่อมเป็นเหมือนภาระคือของหนักซึ่งวางไว้บนศีรษะพระกีนาศบนั้นเมื่ออัตภาพนั้นแตกไปย่อมยินดีทีเดียวย่อมไม่กลัวเลยดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถา ขึ้นว่าท่านผู้เป็นนายบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแกท่านผู้ไม่มีความห่วงใหญ่ท่านผู้สแสวงหาคุณสิ้นสังโย์แล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ปัญหาอันนำไปสู่พบของพระกีนาศพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริงความตายของท่านหมดความน่ากลัว ดังปลงพาระลงฉะนั้นตอนนายโจนขอบรระชาศาสนาเมเนนหัวหน้าโจนนั้นฟังคำาสามนเนนนั้นแล้วแลดูโจนห้าร้อยคนแล้วพูดว่าพวกท่านจะทำอย่างไรพวกโจนก็ท่านเล่านายหัวหน้าโจนกิดในท่ามกลางเรือนของฉันไม่มี ฉันเพราะเห็นปาฏิหาริเห็นปานนี้ฉันจะบวชในสำนักของพระผู้เป็นเจ้านี้แ่ะพวกโจรแม้พวกเราก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันหัวหน้าโจรดีละพ่อทั้งหลายลา ด, ดับนั้นโจรทั้งห้าร้อยคนไหวสามนเณรแล้วจึงขอบรระชาสามนเณรนั้นตัดผมและฉายผ้าด้วยคมดับของโจรเหล่านั้นนั่นเอง ย้อมด้วยดินสีแดงให้กรองผ้าย้อมน้าฝาดแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเมื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปมีความคิดว่าถ้าเราจะไม่เยี่ยมพระเถตรทั้งหลายไปเสียพระเทตรเหล่านั้นจะไม่อาจทาสมณธรรมได้จาเดิมแต่การที่พวกโจรจับเราออกไปบรรดาพระเทตรเหล่านั้นแม้รูปหนึ่งก็ไม่อาจ อดกลั้นน้ำตาไว้ได้เมื่อพระเทระเหล่านั้นคิดอยู่ว่าสามเณรถูกโจรฆ่าตายแล้วหรือยังเนาะกรรมฐานจะไม่มุ่งหน้าได้เพราะฉะนั้นเราไปเยี่ยมท่านทั้งหลายจึงควรตอนสามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุสามเณรนั้นมีสามเณร500้อรูปเป็นบริวารไปในที่นั้นเมื่อภิกษุ ท่านลายเหล่านั้นเห็นสังกิจจาสามเณรจึงได้เกิดความเบาใจและได้กล่าวขึ้นว่าสังกิจจาผู้สัตว์บุรุษเธอได้ชีวิตแล้วหรือสังกิจจาสามเณรอย่างนั้นก็รับหัวหน้าโจร น, นี้ใครจะฆ่ากระผมให้ตายก็ไม่อาจฆ่าได้เลื่อมใสในคุณธรรมของกระผมฟังธรรมแล้วจึงบวชกระผมมาด้วยหวังว่าจะเยี่ยมท่าน แล้วก็จะหลีกไปขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดกระผมจะไปยังสำนักของพระศาสดาสังกิจจาสามเณรจึงไหวภิกษุตั้งหลายเหล่านั้นแล้วพาสามเณรห้าร้อยรูปไปยังสำนักของพระอุปชากเมื่อท่านพระสารีบุตรถามว่าสังกิจจาเธอได้อันเทวาสิกแล้วหรือสามเณรจึงตอบว่า ถูกแล้วก็รับดังนี้แล้วสามเณรก็ได้เล่าเรื่องนั้นกับพระสารีบุตรเทระก็เมื่อพระสารีบุตรเทระกล่าวว่าสังกิจจทเธอจงไปเฝ้าเยี่ยมพระาศาสดาเถิดสามเณรรับคำแล้วจึงได้พาสามเณรทั้งห้ารอรูปนั้นไปยังสำนักของพระาศาสดาแม้เมื่อพระาศาสดาตรัถามว่าสังกิจจา เธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือสามเณรจึงได้กราบตูนเรื่องนั้นตอนผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีลพระศาสดาจึงได้ตรัสตามว่าได้ยินว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุตูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าจึงได้ตรัสึ้นว่าความตั้งอยู่ในศีล และเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทำจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้งร้อยปีดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อนุรูสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาตานิวาโยจะวสะสสตังชีเบทัสสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสย สีละวันตัสสะชานิโยก็ผู้ใดทุศีนมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่ร้อยปีกว่าความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสด็จกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในรมนดาคำเหล่านั้นคำว่าทุศีโลคือทุศีนหมายความว่าไม่มีศีลคำว่า สีระวันทัดสะคือของผู้มีศีลหมายความว่าความเป็นอยู่แม้วันเดียวคือแม้ครูเดียวของผู้มีศีลมีฌานด้วยฌานสองประการประเสริฐคือสูงสุดกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ทุศีลในเวลาจบเทศนาภิกษุแม้ห้าร้อยนั้นบรรลุพระอรหันต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันตอนประวัติของอัิมุตตะสามเณรโดยสมัยอื่นอีกสังกิจจะได้อุปสมบทแล้วมีพันศาสิบจึงรับสามเณรไว้ก็สามเณรนั้นเป็นหลานของท่านเอง ชื่ออาทิมุตตะสามเนนครั้งนั้นพระเทระเรียกสามเนนนั้นมาในเวลาที่มีอายุครบจึงส่งไปด้วยคำว่าเราจะทำการอุปสมบทแก่เธอจงไปถามจำนวนอายุในสำนักของพวกญาติแล้วจงมาอาทิมุตตะกามเนนนั้นเมื่อไปสำนักของมารดาบิดาทูก พวกโจรห้าร้อยคนจะก่้าให้ตายเพื่อต้องการทำปรีกรรมในระหว่างทางได้แสดงธรรมแก่โจรเหล่านั้นเป็นผู้อันพวกโจรมีจิตเลื่อมใสปล่อยไปด้วยคำว่าท่านไม่ปึงบอกความที่พวกผมมีอยู่ในที่นี้แก่ใครๆอาตมุตตะสามเนนั้นแม้เห็นมารดาพิดาเดินสวนทางมา ก็รักษ า, ษาสัจจะไม่บอกแกมารดาบิดาของตนก็เดินตามไปตามทางนั้นนั่นแหละเมื่อมารดาบิดานั้นถูกพวกโจรเบียดเบียนคร่ำครวนจึงพูดขึ้นว่าฉลายว่าแม้สามเณร น, นั้นก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกโจรจึงไม่บอกแก่เราโจนเหล่านั้นได้ยินแล้วรู้ความที่สามเณร ไม่บอกแก่มารดาพิดาก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ขอบรรปชากับอธิมุตตะสามเณรแม้อธิมุตตะสามเณรนั้นก็ได้ทำโจรเหล่านั้นทั้งหมดให้บวชแล้วเหมือนสังกิจจาสามเณรนำมายังสำนักของพระอุปชาผู้อัญพระอุปชานั้นทรงไปยังสำนักของพระศาสดาสามเณรนั้นจึงได้พาภิกษุเหล่านั้นไป กราบทูลเรื่องนั้นแก่พระศาสดาแล้วพระศาสดาตรัสตามว่าเขาว่าอย่างนั้นจริงหรือภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุพวกนั้นทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุษสนทิจึงได้ตรัสโดยนัยก่อนนั่นแหละด้วยคถานี้ว่าก็ผูใ้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่ร้อยปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นือเรื่องอธิมุตตะสามเณรแม้นี้ข้าพเจ้ากล่าวไว้ด้วยพระคตานี้เหมือนกันเรื่องสังกิจสามเณร